กําเนิดเพชรพญานาคแก้วจันทรธราการที่คุณอาจไม่รู้ความเชื่อความศรัทธาต่อพญานาคราชในปัจจุบันทําให้กระแสของพญานาคในด้านต่างๆได้รับความนิยมอย่างมากหนึ่งในนั้นคือเพชรพญานาคที่ใครหลายๆคนอยากมีไว้บูชาเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพญานาคราชที่ทําหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาเพชรพญานาค ยังมีอนุภาพเสริมความเป็นมงคลหลากหลายประการทำให้ได้รับความนิยมในการบูชามากแต่ก่อนจะบูชาธาตุกายสิทธิ์ที่เรียกว่าเพชรพญานาคนั้นรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วกำเนิดของเพชรพญานาคเป็นอย่างไรและความแตกต่างระหว่างเพชรพญานาค ก, กับมณีนาคราชทึ่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแก้วพญานาคหรือแก้วจันทราการมีความเป็นมาและที่ต่างกัน แม้ในปัจจุบันจะมีความเข้าใจโดยรวมว่าเพชพญานาค ก, กับมณีนัคราชนั้นเป็นสิ่งเดียวกันเพราะเกิดจากการบำเพ็ญบารมีของพญานาค ก, ก็ตามแต่ในตำนานความเป็นมาของการกำเนิดเพชรพญานาค ก, กับมณีนัคราชมีความแตกต่างกันดังที่จะเล่าต่อไปนี้การกำเนิดเพชรพญานาคตามความเชื่อในตำนานมีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระกัสปะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สามในพัทรักักนี้ได้ถืออุบัติขึ้นมา แผ่นดินก็สั่นสะเทือนไปทั้งสาพบเนื่องจากเป็นธรรมดาของผู้มีบุญญาบา ร, รมีมากจึงเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สําคัญคือการเกิดฝนโบกขอรพัชซึ่งเป็นน้ําฝนที่มีเม็ด ส, สีใสแดงระเรื่อเหมือนแก้วทับทิมมีความพิเศษคือหากใครที่ปรารถนาอยากให้เปียกก็จะเปียกปอนไปทั่วทั้งร่างกายแต่ถ้าใครที่ไม่อยากให้เปียกละอองฝนก็จะไม่โดนกายแม้แต่น้อยเมื่อฝนได้ซาลงแล้วพื้นดินก็ใสสะอาด ฝนบางส่วนที่ตกลงมาได้ดึงดูดธาตุทั้งสี่ข้าหากันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟแล้วรวมเป็นหนึ่งเดียวบังเกิดเป็นเพชร7สีมณี7แสงที่สว่างสวัยไปทั่วล่ามีอนุภาพในตัวเองรัศมีของเพชรเสีมณี7็แสงได้แผ่เสานไปทั่วทั้งพิภพเป็นเวลายาวนานกว่า7วัน7คืนแสงสว่างของเพชรเสีได้เปล่งแสงเจประการรัศมีส่งไปไกลจนถึงเมืองบาดาล7็ดแห่ง เหล่าพญานาคทั้งหลายเมื่อได้เห็นแสงนั้นก็เกิดความประหลาดใจโดยเฉพาะพญานาคราชสุนันโทพญานาคผู้เป็นใหญ่ปกครองเมืองบาดาลทั้ง7ท่านจึงได้อธิษฐานจิตพระอยากทราบสาเหตุของการเกิดปรากฏการนี้ด้วยบุญญาบา ร, รมีของพญานาคราชสุนันโทที่ได้สั่งสมไว้ไม่อย่างยาวนานตั้งแต่อดีตชาติทําให้ท่านได้ทราบว่าแสง7ประการที่ส่องมาไกลถึงแดนบาดาลคือเพชรเสีมณี7แสง ที่เกิดจากบารมีแห่งพระโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเดียวกันพญานาคราชสุนันโทก็ได้ล่วงรู้ถึงการอธิษฐานจิตของตนเองในอดีตชาติว่าจะทำหน้าที่ในการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนารวมถึงการปกปักรักษาดวงแก้วอันล้าค่าซึ่งถือเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาอีกด้วยให้คงอยู่สืบไปเมื่อทราบถึงหน้าที่ที่ตนจะต้องทาแล้วพญานาคราชสุนันโท จินแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารโดยการแทรกแผ่นดินพร้อมกับหน้าขบริวารเพื่ออัญเชิญเพชรเจสีมณีเแสงไปเก็บรักษาโดยได้นําไปไว้ในถ้ำภูเขาเพราะสถานที่เหล่านี้จะมีพญานาคอาศัยอยู่เพื่อให้เหล่าพญานาคทั้งหลายได้ทําการปกปักรักษาไม่ให้ใครเข้ามาหยิบฉวยไปได้ขนาะเดียวกันพญานาคบริวารจํานวนหนึ่งก็ได้นําดินที่มีสีสันต่างๆมาทําการห่อหุ้มเพชรเจสีเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่ก้อนดินธรรมดาธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพรางตามมนุษย์และเทวดาผู้มีความโลภไม่ให้เห็นเป็นอันขาดนอกจากถ้ำและภูเขาแล้วเพชรเจ็ดสีได้นำไปไว้ยังสถานที่อันสมควรเช่นภายในแหล่งน้ำต่างๆพญานาที่ทำหน้าที่ในการรักษาดวงแก้วก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์โดยการร่ายมนต์คาถาเพื่อทำการบดบังรัศมีของเพชรสีเอาไว้รอจนกว่าถึงเวลาอันสมควรที่เพชรเจสีจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพชรเสีม่ใ น, นแสงยิงถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีโดยการดูแลรักษาของพญานาคราชทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครสามารถที่จะเห็นหรือนําเพชรเจสีออกมาได้ดวงแก้วอันวิเศษนี้จะถูกเก็บเอาไว้จนกว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรเช่นเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุร้ายแรงต่างๆกับพุทธศาสนาเพชรเสีจึงจะปรากฏขึ้นด้วยเหตุที่พญานาคเป็นผู้เฝ้าเก็บรักษาเพชรเสีไม่ในแสง อันเกิดจากบา ร, รมีของพระพุทธเจ้ากัสปะนี้เองจึงเรียกดวงแก้ววิเศษนี้ว่าเพชรพญานาคในปัจจุบันจะเห็นว่ามีการให้บูชาเพชรพญานาคอยู่จํานวนมากซึ่งส่วนมากนั้นมักจะเป็นของปลอมเพราะของจริงๆหาได้ยากมากนอกจากผู้มีบุญญาธิการเป็นผู้มีศีลธรรมหรือผู้ที่ได้รับหน้าที่เท่านั้นซึ่งในอดีตชาติอาจเคยเป็นพญานาคที่ดูแลรักษาเพชรพญานาคมาก่อนหรือในอดีตเคยอธิษฐานจิตไว้ว่า จะทำนุบบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาจะรักษาสมบัติอันมีค่าไว้ก็มีโอกาสได้ครอบครองเพชรพญานาคของจริงเช่นกันนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งท่าศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากบุญบารมีของพญานาคโดยตรงนั่นคือมณีนาคราชเด็กอีกชื่อหนึ่งว่าแก้วจันทร์รการหรือแก้วพญานาคมีความแตกต่างจากเพชรพญานาคหรือเพชรสีมณ ด, ดแสงเพราะมณีนาคราชนั้นเป็นดวงแก้วประจำกายของพญานาค ซึ่งถือกำเนิดจากบุญญาิีของพญานาคเองแต่มณี น, นาคราชที่ว่านี้ไม่ได้ติดตัวมาพร้อมกับพญานาคในทันทีตั้งแต่เกิดแต่จะเกิดขึ้นเมื่อพญานาคได้จําศีลและบําเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานเมื่อกายใจเกิดความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> ก็จะเกิดดวงแก้วประจํากายขึ้นมาเรียกว่าแก้วจันทราการหรือมณี น, นาคราชมีสีสันที่แตกต่างกันไปเช่นสีแดงจะโดดเด่นด้านอิทธิฤทธิ์สีเขียว จะโดดเด่นด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บสีม่วงจะโดดเด่นด้านอำนาจพลังจิตสีขาวจะโดดเด่นด้านการปฏิบัติธรรมเป็นต้นเวลาของการเกิดแก้วจันท ร, ร์การ น, นั้นจะเกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงบุญกุศลของพญานาคที่ได้จำศีลภาวนาเป็นระยะเวลายาวนานจากอดีตจวบจนปัจจุบันก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก่อให้เกิดแก้วจันทร์การที่มีความสวยงาม มีรัศมีเจิดจรัสสว่างสวัยไปทั่วเมืองบาดาลขนาดเดียวกันการเกิดของแก้วจันทร์การยังทําให้บังเกิดทิพยสมบัติต่างๆตามกําลังบุญของพญานาคท่านนั้นๆด้วยเช่นถ้าพญานาคขราชตนใดที่มีบุญญาบา ร, รมีมากก็จะเกิดทิพยสมบัติที่มากมายมหาศาลและยังมีรัศมีรอบกายที่สวยงามอีกด้วยรัศมีของพญานาคแต่ละตนย่อมบง่งบอกถึงบุญบา ร, รมีที่สั่งสมมาว่ามากน้อยแค่ไหน หากท่านใดที่มีกายสว่างมากนั่นคือบุญบารมีมากแต่ท่านใดที่กายสว่างน้อยนั่นคือบุญบารมียังน้อยอยู่แต่อย่างไรก็ตามในภพภูมิของพญานาคนั้นพญานาคแต่ละตนจะมีนิสัยรักความสงบชอบจำศีลชอบเจริญสมาธิภาวนาเคร่งครัดในการปฏิบัติเพื่อสะสมบารมีให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปสมกับเป็นผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษา พญานาคจะจำศีลเจริญภาวนากันโดยทั่วไม่ว่าจะเป็นพญานาคในระดับใดก็ตามสำหรับอนุภาคของแก้วจันทร์การหรือมรีนัคราชมีอิทธิฤทธิ์หลายประการเช่นสามารถดนบันดาลอาหารทิพและทิพยสสมบัติมากมายไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองทําให้พญานาคเกิดความสุขความสบายในเมืองบาดาลอิ่มอาหารทิพสวยทิพยสมบัติอยู่หลายหมื่นปีมีกายทิพที่สวยงามนอกจากนี้ มณีนคราชยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมบารามีของพญานาคอีกด้วยเนื่องจากในเมืองบาดาล น, นั้นจะเคารพนับถือกันที่บุญบารามีหาพญานาคตนใดมีบุญบารามีมากก็จะได้รับความเคารพยำเกรงจากพญานาคตนอื่นๆด้วยมณีนาคราชยังมีอนุภาพช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆในระหว่างที่พญานาคจำศีลและเจริญภาวนาโดยการจำศีลของพญานาคมีลักษณะเช่นเดียวกับการรักษาศีลแปของมนุษย์คือเว้นจากการเสพกาม เว้นจากการเสวยที่พยสมบัติต่างๆและต้องงดเว้นไม่ใช้อิทธิฤทธิใดๆเพราะการใช้ฤทธิจะเป็นการทําลายความสงบของจิตใจในระหว่างการจําศียนจึงต้องทําสมาธิภาวนาเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เกิดความผ่องใสเป็นการสั่งสมบา ร, รมีให้มากยิ่งขึ้นด้วยด้วยอํานาจแห่งศีลและการภาวนานี้เองทําให้กายของพญานาคสว่างสวัยมากขึ้นกว่าเดิมและการสั่งสมบุญบา ร, รมีของพญานาคจะมีส่วนสําคัญอย่างมากหากต้องเปลี่ยนภพภูมิเมื่อพญานาคสิ้นบุญพระบุญบา ร, รมีมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นเช่นเป็นภพภูมิในระดับเทวดาหรือความต้องการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้เพียรพร้อมไปด้วยศีลธรรมก็จะเป็นไปได้ส่วนมณี น, นัคราชต่างๆที่พบในโลกมนุษย์ที่มีการนำมาบูชาหรืออ้างว่าได้มาจากสถานที่ต่างๆนั้นต้องพิจารณาให้ดีเพราะมณี น, นัคราชหรือดวงแก้วพญานาคไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตามการจะได้มาจากพญานาคจริงๆย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย ยกเว้นแต่ผู้ที่มีเชื้อสายพญานาคเคยเกิดเป็นพญานาคราชมาก่อนเคยเป็นเจ้าของมณี น, นาคราชมาก่อนก็มีสิทธิ์ได้ครอบครองเช่นกันเพราะในบางครั้งที่เห็นกันโดยทั่วไปว่าเป็นแก้วพญานาคและได้มาจากสถานที่ลึกลับเช่นในป่าในถ้ำอาจจะเป็นการเล่นแร่แปรธาตุของผู้มีฤทธิ์อภิญญาเช่นฤาษีชีไพรหรือผู้สำเร็จวิชาเล่นแร่แปรธาตุจะสามารถทําให้เกิดธาตุกายสิทธิ์ได้ไม่ว่าจะเป็นแก้วที่เป็นลูกเล็กๆ เ, เป็นวงรี หรือวงกลมมีสีสันต่างๆที่ถูกทิ้งไว้ตามปากเขาทําให้บางคนเข้าใจว่าเป็นแก้วพญานาคเพราะธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้ก็มีอิทธิฤทธิ์เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่แก้วพญานาคส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นดวงแก้วธรรมดาทั่วๆไปซึ่งผ่านการปลุกเสรจจากผู้มีวิชาอาคมทําให้ดวงแก้วนั้นมีฤทธิ์ก็จริงมีอนุพาทธ์ในด้านต่างๆก็จริงแต่ไม่ใช่แก้วพญานาคเพราะอย่างที่กล่าวไปว่าแก้วพญานาคจริงๆนั้นจะหาได้ยากมากเนื่องจากเป็นสมบัติของพญานาค และเป็นของทิพย์ซึ่งไม่อาจแต่ต้องได้ด้วยกายหยาบแต่ก็จะมีผู้ที่มีบุญวาสนาหรือผู้ที่เคยเป็นเจ้าของมาก่อนในอดีตชาติคือเคยเกิดเป็นพญานาคมาก่อนจึงจะได้ครอบครองมณีนัคราชของจริงสําหรับอนุภาพของมณีนัคราชนั้นหามนุษย์ได้มาครอบครองก็จะมีอิทธิฤทธิ์หลายประการเช่นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสามารถเข้าสมาธิได้เร็วเพระอย่างที่ทราบกันดีว่ากว่าจะเกิดเป็นมณีนัคราช ก็ต้องอาศัยกําลังของบุญบา ร, รมีจากการบําเพ็ญภาวนาของพญานาคมาอย่างยาวนานจึงไม่แปลกว่ามณีนคราชจะช่วยส่งเสริมการทําสมาธิได้ดีนอกจากนี้มณีนคราชจะมีอนุภาพในการส่งเสริมด้านพกบกทรัพย์เงินทองให้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนการป้องกันภัยอันตรายจากสิ่งไม่ดีต่างๆซึ่งอนุภาพของมณีนัคราชแต่ละดวงนั้นก็จะมีความโดดเด่นในแต่ละด้านที่ต่างกันขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีของพญานาคที่ได้สะสมมา และความสามารถหรือจริตที่โดดเด่นของพญานาคตนนั้นๆส่วนการจะพิสูจน์ให้ได้ว่าดวงแก้วที่ตอนได้มาเป็นแก้วพญานาคจริงหรือไม่ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกันเช่นแหล่งที่มาของแก้วพญานาคได้แก้วพญานาคมาอย่างไรได้มาจากใครเคยนิมิตหรือฝันเห็นพญานาคบ้างหรือไม่ที่สําคัญหากใครที่ทําสมาธิภาวนาอยู่แล้วหรือผู้ที่มีจิตสัมผัสมียานอย่างรู้ก็จะสามารถทราบได้ว่าแก้วพญานาคนั้นเป็นของจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะตัวและเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่ต้องใช้วิจารณญาณเช่นกันส่วนการบูชาเพชรพญายนาคกรรมณีนัคราชหรือแก้วจันทรา์การนั้นคือการบูชาด้วยน้ําสะอาดลอยดอกมลัลิและถ้าวันไหนที่เป็นคืนพระจันทร์วันเพ็ญขึ้น15ค่า ม, มีเคล็ดอยู่ว่าให้นําเพชพญายนาคหรือแก้วจันทรา์การไปอาบแสงจันทร์ในที่โล่งแจ้งเพื่อให้ดวงแก้วดูดซับพลังของพระจันทร์ซึ่งเป็นพลังเย็นเป็นพลังแม่ตามาหานิยม จะช่วยเสริมอนุภาพดวงแก้วให้มากยิ่งขึ้นและที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการบูชาเพชรพญายนาคหรือมนีนาคราชก็ตามคือการปฏิบัติบูบชาได้แก่การรักษาศีลการเจริญภาวนาต้องทำอย่างสม่ำเสมอและอุทิศบุญกุศลให้กับพญายนาคราชทั้งหลายถ้าผู้ครอบครองประสงค์สิ่งใดให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรได้ครั้งละหนึ่งอย่างเท่านั้นถ้าสมความปรารถนาแล้วจึงขอพอรประการอื่นได้